ตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะว่าเสียงฝนกระทบสังกะสีก็ดังพอสมควรอาจจะรบกวนการฟังของเราเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายนะเรื่องผูชี้ขุมทรัพย์เวลามีคนชี้โทษหรือกล่าวความขนบเรา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 ยกมือสร้างจังหวะหรือว่าการเดินจงกรมนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ก็อย่าไปเข้าใจว่าทําแค่นั้นถึงเป็นการปฏิบัติธรรมอย่าไปเข้าใจว่าทําแค่นั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการทําความเพียรความเพียรนี่มันเป็นเรื่องของใจนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิรลียบทหรือรูปแบบพระตถาจารย์ตรัสว่าแม้ยืนเดิน นั่งหรือนอนเมื่อมีการมวรตตกเกิดขึ้นมีพยาบาววิตกเกิดขึ้ น, ม, าากกนมีวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็ไม่รับไวนะพย า, ายามไถถอนใจออกจากวิตกเหล่านั้นนะพยายามลดทอนบรรเทาความวิตกเหล่านั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียงเผากิเลศการมวิตกก็คือโลภะนั่นเองเนะรพยาบาลวิตกก็คือโทสะนะวิหิงสาวิตกก็เป็นมากกว่าโทสะนะเพราะว่าไม่ใช่แค่มุ่งร้ายอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะทำร้ายด้วย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 และถ่ายถอนจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทำความเพียรแล้วแม้ว่ากำลังนั่งอยู่หรือว่านอนอยู่ก็ตามนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอิเดียบทนะแต่มันอยู่ที่ใจอย่างที่บอกไปสักครู่ว่าความเพียรหรือว่าความพยายาม หรือว่าวิริยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ได้อยู่ที่อริยบท้วยเหตุนี้เนี่ยสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเนี่ยจึงจัดอยู่ในฝ่ายสัมมาสมาธิอันนมีอง้างปเนี่ยนะแข้อท่านก็จะจัดออกมาเป็นสก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็เช่นแก่สัมมาอาชีวะสัมมากรรมตาสา ม, มาวาจานะอันนี้เป็น เป็นธรรมะฝ่ายศีลหรือฝ่ายพฤติกรรมฝ่ายกายสาส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านจัดอยู่ในฝ่ายสมาธินะก็คือเป็นเรื่องของจิตนะจิตที่สงบจิตที่มีคุณภาพก็เรียกว่าเป็น ฝ่ายสมาธิส่วนปัญญาที่เลื่อนมาจากศีลสมาธินะก็คือสัมมาสังกัปปะสมาธิติเป็นต้นนี่สมมาวิมานี่มันเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิคือเป็นเรื่องของจิตใจไม่ได้อยูที่รูปแบบไม่ได้อย่ที่เรียบทนะบางคนไปเข้าใจว่าทําความเพียรนี่ก็ต้องหมายถึงแค่การยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินตรงกลม หรือว่าการตามลมหายใจเท่านั้นคือต้องว่าการทำความเพียรหรือการปฏิบัติหมายถึงการทำในรูปแบบแต่ว่าสัมมาวิมาะมันไม่ได้เพ่งเล็งไปที่ตรงนั้นสมาวิยาะเนี่ยก็จะบอกว่าหมายถึงเมื่อทำให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดมีขึ้น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 ทำให้โรบกรดหลงมันทุเลาเบาบ า, บางหรือหายไปหรือว่าทำให้กุศลธรรมเช่นสติสมาธิารวมทั้งคันติปัญญาเจริญงอกงามก็ถือว่าทำความเพียรได้ประกอบสัมมาวายามะคือทำความเพียรชอบอ นั่นให้เราเข้าใจนะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการทําความเพียรเนี่ยมันไม่มีรูปแบบมันอยู่ที่ใจว่าใจตอนนั้นเนี่ยนะรู้ทันนะอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นและถ่ายถอนจึงออกจากอารมณ์นั้นได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ทําให้มันมีมากขึ้น เมื่อทาเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ได้ทำความเปียนเผาคิลนเลยต้องจับตรงนี้ให้ได้เพราะว่าบางคนก็เข้าใจว่าจะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องมาวัดนะจะภาวนาได้ก็ต้องนะมาเข้าคอรนะ์สดังนั้างคนก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอย่างพวกเรากว่าจะมาได้แบบนี้ก็คงต้องสับหลีกันมากบางคน ก็อาจจะมาได้แค่ปีละครั้งนะแต่ว่าตาบได้ที่เราจับหลักการภาวนาหรือการปฏิบัติได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่บนรถนะอยู่บนท้องถนนนะอยู่ในที่ทำงานเราก็สามารถจะปฏิบัติทำไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาได้ เรื่องนี้ก็มีอุทาหรณ์นะสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัทโทนะท่านยังเป็นพระหนุ่มนะตอนนั้นท่านก็พันษาเก้าท่านก็มีแรงมีไฟในการปฏิบัติในการภาวนามากท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปหาและสันศรัทธามากคือหลวงปู่กินนรีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น รุ่นแรกๆเลยหลวงปู่กินนีตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะอยู่ที่นครพนมหลวงพ่อชาก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนีอยู่ที่นั่นท่านก็ทำความเพียรมากนะเดินจงกรมนะทำสมาธินะภาวนาทั้งวันแล้วก็บางทีก็ทั้งคืนเลย ท่านก็เดินจงกรมนี่นะอย่างมุ่งมั่นมากแต่ท่านก็สังเกตว่าหลวงปู่กิ น, นรลี่วันๆก็เดินจงกรมนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็ทํางานจิปาถะมีเย็บผ้าบ้างมีปะชุนผ้าบ้างหลวงปู่หลวงพ่อชาตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มนะ ท่านก็นึกในใจไว้ขนาดเราภาวนามากนะทั้งวันทั้งคืนนั้ น, นนี้ยังไม่รู้อะไรเลยอา้าหลวงปู่เนี่ยวันๆไม่ค่อยนะเดินจงกรมเลยนี่จะเรียนจะได้รู้อะไรแต่ปรากฏว่าพอได้ฟังคาบรรยายได้ฟังธรรมะจากหลวงปู่กินนรก็รู้สึกว่าศรัท ธ, ธาซาบซึ้งมากขึ้นเพราะว่าธรรมะของท่านท่านลุ่มลึก แล้วก็ได้ก็ได้เห็นว่าที่จริงหลวงปู่กินนรอท่านก็ภาวนานะเห็นท่านไม่ได้เดินจงกรมอันนี้นะแล้วก็มีช่วงหนึ่งจีวรของหลวงพ่อชาเกิดขาดรุดยขึ้นมาท่านต้องหยุดการเดินจงกรมเพื่อที่จะมาปะชุนจีวรใจท่านก็นึกถึงการภาวนานะ ท่านก็เลยรีบๆทำรีบๆปะรีบๆเย็บจีวรหลวงปู่กินเลียท่านเดินผ่านมาเห็นอาการรีบๆเร่งๆของของพ่อชาก็เลยถามพักขึ้นมาว่าท่านชาท่านจะรีบไปทาไมท่านจะรีบไปทาไม หลวงพ่อชาก็ตอบว่าผมอยากทำให้เสร็จครับเสร็จแล้วจะไปทำอะไรจะไปภาวนาครับหลปู่กิ น, นรีก็เลยพูดขึ้นว่าท่านชาท่านรู้ไหมเย็บผ้าผืนนี้มันก็ภาวนาได้ก็ดูใจของท่านสิว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขมัน นี่ความอยากท่วมหัวตัวท่านท่านยังไม่รู้อีกเรืเนะคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะก็สะดุดใจหลวงพ่อชามากเพราะท่านไม่เคยนึกเลยว่าการเย็บผ้าเนี่ยระหว่างที่เย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้ภาวนาไงก็มีสติแล้วก็ดูใจของตัวไป ตอนนั้นท่านไม่เห็นใจของตัวเลยเพราะว่าใจเนี่ยนึกแต่ว่าจะรีบทําให้เสร็จนึกแต่เรื่องการจะไปเดินจงกรมอย่างเดียวใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความอยากภาวนาอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆเนี่ยนะมันครอบามจิตท่านแต่ว่าท่านไม่เห็นหลวงปู่กินนิลิก็มาเชี่ยหเห็นเลยนะว่าเนี่ยความอยากมันท่วมหัวท่านท่านยังไม่รู้เรื่องของตัวอีกเองเนะ คือภาวนามันสามารถจะทำได้ตลอดเวลานะอันนี้คือบทเรียนที่ท่านได้นะจากหลวงปู่กินนลีทาได้ตลอดเวลาทำยังไงก็มาดูใจของตัวไงโดยใจของตัวมันก็เพื่อมั้ยมันมีความอยากครองใจหรือเปล่านะมันมีความงดหงิดหรือว่าคิดแต่จะทำงานข้างหน้าคิดแต่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 อยากจะได้โนนอยากจะได้นี่อยากจะได้คนพิเศษนะถ้าไม่เห็นความอยากนั้นก็ถือว่าฟาวนะถ้าเรียกแบบลูกพ่อคำเขียนก็เรียกว่าทำฟรีฟฟรีฟคือศูนยะ์เปล่าหรือว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทําความเพียนเผากิเล็นะเพราะว่าใจมันนะถูกข้องงําด้วยกิเล็ไปซะละ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 ลากถกูมันลากลูกถูกลางนะแต่ว่าหมายถึงตามทันนะตามทันมันเผืคิดไปก็รู้ทันแล้วก็เห็นมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจนะไม่ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้นนะถ้าหากว่าเราเห็นมันมีสงบมีความสงบเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมัน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 เพลิดในความสงบนั้นถือว่าไม่ดีถ้าเป็นการเจริญ ป, ปัสสามีความสงบเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นไม่รู้นะก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปัสสาแปลว่าทําให้สว่างทําให้แจ้งก็ต้องเกิดจากการเห็นก่อนอะไรเกิดขึ้นกับใจแล้วมองไม่เห็นอใจไม่รับรู้นะไม่มีสตริรู้นี่ก็ถือว่าลงไปละไม่รู้ตัว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 และในการภาวานาก็ต้องวางใจให้ถูกด้วยนะในเรื่องของความคาดหวังคราวหนึ่งก็มีคนมีโยมคนนึงแกภาวานา ม, มาหลายปีก็มามาบนกับหลวงพ่อเฟืองหลวงพ่อเฟืองโชติโกนี่ท่านอ่าก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นที่เป็นเป็นลูกศิษย์หลวงอ่าท่านพ่อรีวัตโสกาลาม เขามาบนกับหลวงพ่อเพื่องว่าภาวนามาหลายตีแล้วก็ไม่ได้ไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยภาวนานะไม่ได้เพื่อเอาแต่ภาวนาเพื่อละนั่นตาภาวนาเพื่อเอานี่มันมันไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าทําด้วยความอยากความอยากได้อยากเอา มันคลองใจแล้วไม่เห็นอันนี้ก็ไม่ถูกละภาวออนาเ น, นี่ยเพื่อละหลายคนเนี่ยดี๋ย ว, ว่าแต่ภาวนานหลายปีแล้วนะแค่ภาวนานมาแค่หกเจ็ดวันอาจจะนึกขึ้นมาว่าทำแล้วยังไม่ได้อะไรเลย5้าหกวันแล้วนะคิดแบบนี้ก็ตั้งใจวางใจผิดแล้วละพอประการแรกนะหกวันแค่นั้นเองนะมันจะได้อะไร ประการที่สองคือว่าเนี่แสดงว่าเราตั้งท่าที่จะเอาการปฏิบัติธรรในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เพื่อเอานะแต่เพื่อละตั้งแต่การให้ทานเนี่ยให้ทานไม่ใช่เพื่อเอาบุญไม่ใช่เพื่อหวังมีโชคมีลาบนะแต่ว่าเพื่อละความยึดติดในทรัพย์สมบัตินะเพื่ อ, อละความเห็นแก่ตัว ศีลก็เหมือนกันนะศีลเนี่ยรักษาไว้เพื่อลดละโลภโกรธหลงพอถ้าปล่อยให้โลภโกรธหลงมันคลองใจแล้วมันก็ผิดศีล น, นะตั้งแต่ข้อหนึ่งไปถึงข้อห้าเลยศีลนะข้อหาเนี่ยมุ่งศีลทั้งห้าข้อเนี่ยมุ่งเพื่อลดละบันเทาความโลภโกรธหลงนะข้อหนึ่งนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะข้อสองก็เหมือนกัน ข้อหนึ่งนะข้อสอง ม, ลล ม, อลลอมีลดละความโลภอ่าลดละโทสะข้อสามมีลดละความโลภอ่าข้อสองข้อสามมีลดละความโลภนะข้อสี่อาจจะลดละโทสะก็หา้ามันก็ลดละความหลงพอกินเหล้ามาสุราแล้วมันก็หลงมันไม่ใช่เพื่อเอานะไม่รับสาศีลไม่ใช่เพื่อความเพื่อความ ยกย่องสารเสริญ น, นะหรือเพื่อหลงตัวลืมตน ว, ว่าฉันวิเศษคนอื่นนะทานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันก็เพื่อการลดการละถ้าภาวนาที่จะเอามันก็แสดงว่าวางใจผิดนะตั้งแต่แรกแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดละไอ อารมณ์ที่มันครอบงาใจสามารถทีจะปล่อยวางความสุดนึกคิดนะซึ่งโดยแล้วแต่เป็นเรื่องของอดีตบ้างอนาคตบ้างนะรวมทั้งความยิดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนั้นแตภาวนาแล้วความลดความละไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะมีแต่อยากได้มากขึ้นก็แสดงว่าทำผิดแล้ว นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นความเห็นของพระ t h a าจารย์ท่านสอนไว้ว่าถ้าหากว่ามุ่งเอามุ่งมีมุ่งเป็นนะไม่ว่าทำอะไรแม้จ ะ, จะเจริญอภินญาห้า สมาบัติแปดก็ถือว่าเป็นวิชาปฏิปทาแต่ถ้าไม่มุง่งเอาไม่มุ่งเป็นนะในการให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทาวนะิชาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทามันต่างกันตรงไหนไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่ที่การกระทําภายนอกแต่ที่ใจว่าทําเพื่อเอาหรือทําเพื่อละนะอันนี้ก็วางใจให้ถูกนะ แล้อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยนะมันแม้เราแมเราจะไม่ได้ไม่ได้หวังได้อะไรเลยนะแต่ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นกุศลธรรมก็ต้องย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอยากจะเปรียบเลยว่า การเจริญสติหรือการภาวนาเ น, นี่ยนะก็ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วพวกเราคงรู้จักกระชอน้ะกระชอนตักรูปน้ำมันนะการจะทำให้น้ำเต็มแก้วด้วยการตักด้วยการใช้กระชอนนี่มันต้องใช้เวลานะอันนี้ต่อมาก็มัไม่ใช่สำนวนขตมาหรอกนะ เป็นสํานวยของอาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่อาจารย์ที่จุลาตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปละเป็นอาจารย์ที่รู้ภาษาต่างประเทศเยอะมากเขานักงเรียนไม่จบมาวิไลนะภาษาไทยก็เก่งภาษาบาลีก็ได้ภาษาสันสกฤตภาษาโบราณเช่นเทวนาครีก็ ก็ได้ไม่ต้องพูดถึงภาษาสมัยใหม่เช่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีภาษาลาตินภาษาอิตาลีแล้วก็ลาตินด้วยรูปภาษาเยอะมากทั้งที่ไม่ได้เรียนจบหมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรเป็นรูปแบบเป็นระบบเลยคนก็ชมว่าท่านเป็นอัจฉริยะมีมีามสวรรค์ด้านภาษา ท่านบอกว่าเปล่าเลยนะเป็นเรื่องความเพียรล้นล้วนแล้วท่านก็บอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับการตักน้าเดืกอกชรคือกว่าจะเพียงแค่จะจําคำหนึ่งได้เนี่ยคำศัพท์คํานึงได้ต้องเปิดดิกแล้วเปิดดิกอีกเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอิกเป็นสิบเป็นร้อยครั้ง ก, กว่าจะจําได้แล้วมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก อาตอมามานึกดูที่ท่านพูดเช่นนี้ก็คล้ายคลาการเจริญสติเหมือนกันที่ทิ้งความระลึกได้ในเรื่องของภาษาในเรื่องของศัพท์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันการจะจำศัพท์ได้ต้องอาศัยสติในการเจริญสติที่เราเพียรทำอยู่เนี่ยแม้ว่าสตาิที่เรามุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นเนี่ย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 ก็พอก็สามารถจะเปรียบได้เอาอุปมาอุปไมยของอาจารย์อิชิอิท่านนี้เนี่ยเอามาใช้กับอ่าอธิบายการเจริญสติได้คือว่ามันไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วคือมันต้องใช้เวลาสติมันเกิดขึ้นเทเลนิตเทเลนิตเทเลนิตนะมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมันก็เลือนหายไป เหมือนกับเวลาเราจำศัพท์ได้ทีแรกเราก็จำสัพท์ได้แต่ผ่านไป5้านาทีสิบนาทีก็มันก็เลือนหายไปละเราก็ต้องเปิดดิกใหม่หรือว่านึกในใจใหม่ทำอย่างนี้หลายครั้ง10ครั้งยี่ครั้งหรือเป็นร้อยครั้งถึงจะจำได้แม่นจำข้ามวันหรือข้ามเดือนก็ได้พอเห็นศัพท์ปุ๊บก็นึกได้ขึ้นมาทันทีในตอนาอนในการเวลาเราใจลอยใจฟุ้งซ่าน เ ร, เราก็ระลึกขึ้นมาได้รู้ทันมันระลึกระลึกขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนึกเพราะว่าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยการจําด้มี2แบบนะจำได้แบบตั้งใจนึกนะตั้งใจนึกเนะช่นเราตั้งใจนึกเบอร์โทรศัพท์เพื่อนตั้งใจนึกวันเกิดเพื่อน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 ตั้งน้ำร้อนเอาไว้นะมันตั้งเอาไว้นี่ต้องเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยพึ่งมานึกได้ให้พึ่งมานึกได้เนี่ยคือสตะนะินะนึกได้ถามว่ามันมันมาอย่างไงตอบได้ ว, ว่ามันมาเองเราไม่ได้ตั้งใจนึกมันมาเองนะศาสตร์ทางพุทธศาสนาก็มีนะอธิบายเขาใช้คําว่าอสังค a r i กังอสังคา r ิ ṅ ก, กังคืวไม่ได้เจตนา นะมันมาเองมันระ ล, ลึกได้เองให้การเจริญสติที่เราเพยายาีพยนเพียนทำเนี่ยคือการพยายามที่จะให้เรามีสติระ ล, ลึกขึ้นมาได้เองนะถ้าจะไปพยายามเฝ้าดูความคิดเพื่อที่จะรู้ทันความคิดนี่อันนี้ไม่สําเร็จนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเผลอคิดไปแล้วก็มีสติรู้ทันอันนี้แหละนะมันมาเองนะ ใหม่ๆนี่กว่ามันจะมานีช้าคิดไปเจ็ดแปดเรื่องแล้วถึงค่อยนึกได้แต่ตอนหลังนี่คิดไปแค่เรื่องเดียวมันก็นึกได้แล้วเราลึกได้ว่าเรากำลังเผลอไปตอนหลังนี่นึกฟุ้งได้ไม่ทันจบเรื่องเลยสติก็มาแล้วเราลึกขึ้นมาได้ว่าเราเผลอไปเราฟุ้งไปนะให้การที่สติมัน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 มาเองนะมอนก็มาเป็นธรรมชาติที่สองของใจนะอันนี้มันเกิดจากการทำความเพียรบ่อยๆทำทาไปเรื่อยๆทั้งหนรูปแบบแล้วก็ในวิธีชีพประจำวันนะแล้วเราก็จะแปลกใจก อ, อ้ามันมาได้ยังไงนะเราไม่ได้สั่งนะแต่นี่เป็นเพราะว่าใจถูกฝึกเอาไว้ดีแล้ว ซึ่งเกิดจากการทําความเพียรอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็ต้องอเราก็อย่าท้อยอย่าถอยนะก็ถาาว่าเราทําความเพียรอย่างถูกต้องวางใจได้ถูกนะสติก็จะมาก็จะมาทํางานได้ทันท่วงทีนะและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือใจก็จะสงบเป็นความสงบไม่ใช่เพราะไม่รู้นะสงบเพราะรู้ ส่วนใหญ่เนี่ยเราเราแสวงหาความสงบที่เกิดจากการไม่รู้เช่นปิดเช่นไม่รับรู้ข่าวสารนะปิดโทรศัพท์หรือว่าปิดประตูนหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีเสียงรอดเข้ามาบางทีก็ปิดตานะเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมากระทบไม่มีภาษามากระทบ อันนี้เราว่าการปิดการรับรู้ซึ่งก็ทําให้สงบได้แต่มันก็สงบชั่วคราวพอพอเรากลับไปกรุงเทพพอเราเปิดโทรศัพท์พอเราเปิดประตูพอเราเปิดเปลือกตาเจอเสียงเจอรูปมากระทบนี่ใจกระเพื่มนี่ว้าบุ่นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสติเนี่ยแม้มันมีอะไรมากระทบทางตาหัวใจร่างกายใจกระเพื่อม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 ปิดการรับรู้กับสงบเพราะรู้นะคือรู้ทันอารมณ์การเจริญสติทำให้เราได้พวกความสงบอย่างหลังซึ่งทำให้เราทำงานก็ทำงานได้อย่างมีความสุขและสงบเราอยู่ในกรุงเทพเสียงมันจะกระทบยังไงใจก็ไม่วาวุ่นเพราะเรามีสติรู้ทันใจอารมณ์ที่มาเพี่กกระเพื่อมอาคานี้ก็พืนเท่านี้นะครับ